วันนี้เป็นวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2559วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันพระใหญ่วันขึ้น15ค่ำเดือน4ว่าเดือน4เพนวันนี้เป็นวันพระใหญ่แต่ทงยังไงก็ยังหลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ตักเตือนศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนถึงวันพระอย่างนี้แล้วอย่าให้ได้พูดได้บอกได้กล่าวกันเพราะพวกเราต่างคนก็ต่างมุ่งหวังมุ่งมั่นต่อคุณงามความดีต่อบุญกุศลต่อความสุขความเจริญทางด้านจิตใจของใครของเราถึงวันพระอย่างนี้ก็ให้รู้จักว่าควรปฏิบัติปฏิบัติตนอย่างไรในวันพระ แปดคำสิบห้าเพราะหลวงพ่อได้ย้ํากล่าวเตือนไม่รู้กี่ครั้งต่อ ก, กี่หนจัตหายาโจมทุกคนให้รู้จักหน้าที่อพอถึงวันพระ8ปดคาสิบห้าคเออข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีลหศีลอุโบสถหรืออย่างน้อยข้าพเจ้าจะไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาดและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อันนี้คือพุทธศาสนิกะชนให้พวกเรานึกคิดไว้ในใจเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นทางโลกเราก็ทำทำมาหาเลี้ยงชีพเราก็ส่อแสวงหาแต่ว่าทางธรรมะเนี่ยเอาธรรมะเอาบุญกุศลเข้าสู่ จ, จิตใจอันนี้เราอย่าไปห่างเขินจนเกินไปแกคิดว่าเราอยู่ทางโลกมีหน้ามีตา มีลาบมียศมีสนเซินมีเงินคำทรัพสมบัติจะเพียงพอเพียงแค่นั้นไม่ถูกต้องนะลูกหลานคณะจตหาญายโยมนะเทาเราสะแสวงหาเพียงแค่นั้นในเมื่อปลายมือเมื่อเราลายโลกเราลาโลกเราจะไม่มีอะไรติดมือติดไม้ติดมือของเราเลยเพราะอะไรเพราะเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างขนาดเขาเอาเหรียญห้าเหรียญ สิบใส่ปากก็ยังไปคลายอยู่ที่เมนนั่นแนหะเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องคิดอย่างอื่นนอกจากบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราเท่านั้นแหะแต่ว่าจิตบุญกุศลนั้นเป็นนามะธรรมแต่พระพุทธเจ้าพระหันตะสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาท่านได้เรียนได้ศึกษาได้ภาวนามาได้เรียนรู้ใจคืออะไรกายคืออะไร แต่พวกเราเห็นแต่กายแต่ใจไม่เห็นเพราะนั้นให้พวกเราฟังแล้วก็เชื่อในครูบาอาจารย์ของพวกเราไว้ก่อนจะดีกว่านะพวกเรายัางปฏิบัติไม่ถึง เ, เหมือนกับเราเรียนวิชาการทุกอย่างถ้าเราสิ่งไหนที่เราเรียนไม่ถึงเราเรียนไม่รู้เราก็ต้องฟังท่านผู้รู้ก่อนไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ว่าเราจะอวดฉลาดไปทุกอย่างมันไม่ได้สิ่งไหนที่เราเราไม่รู้เราก็ต้องฟังท่านผู้รู้ก่อนในเมื่อท่านแนะนำสั่งสอนเราก็ปฏิบัติเราก็ต้องมองมองดูว่าผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเห่านั้นเป็นผู้มีเจตนาดีหรือจะมาโกหกโกโก ห, ห ก, กหต้มตุน๋นหลอกลวงตอแหลเรา เราก็ต้องมองดูซะก่อนถ้าว่าท่านเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ว่ากล่าวในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมที่ผ่านผานมาอากับกริยาของท่านเป็นมีแต่เป็นผู้มุ่งมั่นแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนเราก็ควรจะนับถือเราก็ควรจะมองจุดนั้นอีกท่านคงไม่โกหกเราเราก็ควรจะเชื่อถือจากนั้นเราก็ไปปฏิบัติดูอีกไม่ใช่เชื่อถืออย่างเดียว นำไปประพฤติปฏิบัติเราก็จะเห็นผลาตามแนวแถวที่พวกเราได้ปฏิบัติมานั้นนอันี้ลนะขอบอกกล่าวแนะนำสัตยา ญ, ญาติโจมในวันพระอย่างวันนี้แหละหรือว่าวันต่ อ, ต, อต่อไปอพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญศีลมาก็อย่างที่หลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟัง อย่างที่พระพุทธเจ้า เ, าเป็นพระโพธิสัตว์ขนาดตกอยู่ในน้าทะเลเว่ายน้ำทะเลอยู่เรือแตกขนาดเห็นพระจัตพระทิตกับพระจันตกยุงลงกนละมุมโลกอพอพระาทิดขึ้นมาพระจันทรับโลกโอ้วันนี้เป็นวันพระ เ, เ, เป็นวันพระของเรา เ, าเพียงแค่นั้นท่านก็ยัง เอาน้ําบ้วนปากน้ําทะเลนไะงอมน้ําทะเลก่อนเคอกปากก็ให้ปากบริสุทธิ์ไม่ให้มีเศษอาหารตกลงไปในท้องอีกทั้งที่มันลอยไหวยน้ำตั้งเจ็ดวันอยู่แล้วนะท่านก็ตั้งจะตั้งจิตตั้งใจสมาทานศีลข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถในวันนี้เพราะท่านรักษาศีลมาทุกวันแปดค่าสิบห้าค่อจนอนสสันิสง์ศีลจน เพราะไปถึงนางเมฆคลาที่รักษาน้ำมหาสมุทรทะเลจังได้มาช่วยท่านขึ้นมาจากมหาสมุทรนี่แหละไออันนี้ก็มาในมหาชนกมหาชนกนะสิ่งเหล่านี้คือคือเป็นกระจกเงาแล้วเป็นตัวอย่างของพวกเราที่ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่ได้ลดละประกอบคุณงามความดีเพราะนั้น พวกนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องฟังฟังเอาไว้การประกอบพุณนงามความดีไม่ไปไหนมันเข้ามาสู่จิตใจการทำความชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าใครทำชั่วความชั่วก็จะเข้ามาสู่ตัวของพวกเราเหมือนกันกรรมชั่วจะทำเสลยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ำกล่าวอยู่บ่อยๆเมื่อทำลงไปแล้วเมื่อมันให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเนกรรมชั่วแต่กรรมดีก็เหมือนกันถ้าพวกเราทำกรรมดีกรรมดีให้ผลพวกเราจะมีความสุขสบายสบายกายสบายใจอยู่นัสถานที่ใดมีแต่เชิดหน้าชูตาเมื่อภายหลังพอเราทำกรรมดีเพราะนั้นกรรมดีกับกรรมชั่วเป็นคนละทางกันนะนักตาญาติโยมลูกหลาน เมื่อวานน่ะหลวงพ่อก็กลับมาจากกรุงเทพนะลูกหลานนะหลวงพ่อหายไปวันวันสองวันวันที่ยี่สิบหลวงพ่อฉันทั้งฉันสัญจะหันแต่เช้ากลัวจะไม่ทันเครื่องเขาน่ยพอฉันก็กลับไปนั่งเครื่องลงกรุงเทพไปกันนะไปบ้านของจังหวัดสระเซา แต่จังหวัดสระเซิงเสา ก, กับนครนายกมันติดกันมีแม่น้ําขั้นแต่ไปชุมเพิงเตเี๋ยอยู่เขตนครนายกนะแต่บ้านเตียจริงๆบ้านเตี๋ยเสียต้อมเสียมนัทโยมเตียมานัทอยู่ทางสระเซิงเสาแต่หลวงพ่อไปถึงก็ตอนบ่ายๆไปพักเน้นไม่นานก็นดมนแสดงธรรม หลวงพ่อก็จะแด่ธรรโอ้โหขนล้นหลามนะไปเห็นลูกหลานก็รู้สึกว่าอุบอุบุนกับสองตายายที่ได้เลี้ยงลูกหลานมาก่อนเนี่ยในวันนั้นก็เจ้าของเจ้าภาพงานศพเตียก็ได้มอบรถแอมโมแลนให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่นของเขาให้แบนนั้นอะ ให้ อ, อํเภอบังน้ําเปลือกหรืออะไรน่ะหลวงพ่อกขยะไม่ชัดนะรดแอมโมเลนคันหนึ่งแอมโมเลนก็ทุกวันนั่นแหลล้าน ก, กว่าเกือบสองล้า น, นะ่ะมองให้เป็นจุลบัตรของแผ่นดินของกลางหลวงพ่อเห็นแล้วเออเอมองดูชุมชนสังคมทามีเงินขึ้นมาแล้วก็น่าจะทําอย่างนั้น่ะช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรม เมื่อวันที่ยี่สิบสองบ่ายสองบ่ายสามยเรู้สึกว่าคนล้นหลามนะคนมากแต่ก็รู้สึกว่าคนฟังดีเหมือนกันนะหลวงพ่อยกนิทานชาดกเรื่องหนึ่งขึ้นมา เ, เศรษฐีขี้เหนียว เ, เกิดมาพบนิชาตินี้เนะี่ยไม่รู้จักคำว่าแบ่งปันไม่มีขนาดตัวเองกับขี้เหนียวขี้ตเน่นะ ขี้เหนียวคำนี้คือเป็นภาษาเชียงใหม่นะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อก็เลยนําเอามาใช้ว่าขี้เหนียวคือขี้ตินีขี้เหนียวนั่นแนหะ เ, เวลาจะกินอาหารอาหารของเศรษฐีเนะี่ยคือน้ําส้มประกุมแล้วก็มาต้มใส่ข้าวปลายข้าวหักอันนั้นคืออาหารเศรษฐีเลอือกเลือดรสของเศรษฐีอย่างอื่นไม่กินเพราะมันหรูหราโอ้อาเกินไปกินเข้าไปก็มันถ่ายเฉยเฉยไม่มีประโยชน์ กินขนาดนี้แฝงแล้วจำนวนนั้นเก็บเอาไว้ขายพวกล่มพวกรถพวกอะไรทั้งนั้นของดีๆไม่ใช้ใชโโโโโ้แต่ของโคโลโกโซแต่พอขี้เหนียวขนาดนะเขาก็ตายไปเหมือนกันนะไม่มีลูกอีกต่างหากเศรษฐีพระเจ้าปเสนที่โกศลไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขนสมบัติเศรษฐีเขาเป็นเข้าไว้ในคลังหลวงนั้งเจ็ดวัน จากนั้นพอขนเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าว่าเศรษฐีเขารวยมากพระเจ้าพ่ะแต่เขาไม่กล้าใช้ของเออขีตดีเอ อ, เ, อ, อเป็นเยี่ยมเลยแต่เขารวยแต่เขาก็ตายไปแล้วก็ผมก็เลยเอารถเอาเกวียนทั้งห้าร้อยเล่มไปขนมาเจ็ดวันไปขนสมบัติเศรษฐีเขามาไว้ในคลังหลวงเพราะมันเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่มีญาต ไม่มีลูกพระองค์บอกว่าเศรษฐีคนนี้เขาเคยรวยมาแล้วเจดชาตินี่เป็นชาติที่เกศแล้วเนีสาเหตุที่เขารวยเพราะอะไรเนีเพราะว่าสมัยเขามีอันจะกินในหมู่บ้านพระประเจกพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านท่านก็มาปโปรดนี่ยแหละ คนคงจะเห็นอุปนิสัยของคนในหมู่ในหมู่บ้านหลังนั้นละ่ะพอเดินเข้ามาเศรษฐีที่เป็นเจ้าของพ่อบ้านนี่ยบอกเอ้ยพระปฏิเจกเข้ามาบินธบาติเอาเอาแม่บ้านเตรียมอาหารใส่บาดพระปฏิเจกคนะ์เนอไปไปเตรียมอาหารใส่บาดเอาช่วยๆกันเตรียมอาหารใส่บาตรพอว่าตอนนั้นตัวเองก็เดินออกไปพ่อบ้านเน่ยเดินออกไปข้างนอกทาแม่บ้านโอ้ คำนี้ไม่เคยได้ยินมานานเออที่บอกพ่อบ้านให้เตรียมอาหารใสบาดพระประเจกพุทธเจ้ากันเลยบอกให้บริวารเอาช่วยกั้นพวกเล่านะแม่บ้านเป็นคนมีศรัทธาอยู่แล้วนะเตรียมอาหารอย่างดีเออที่ไหนดีที่สุดในบ้านนะเตรียมอาหารเสร็จแล้วก็ใสบาดพระประเจกพุทธเจ้าพอปใสบาดเสร็จแล้วนะเนี่ยพ่อบ้านก็อมาจะพาทําไปทําธุระเสร็จแล้วก็กลับมา กับมาเกิดเปลี่ยนพระประเจกกําลังจะออกจากหมู่บ้านจากบ้านตัวเองอบอกว่าพระพระผู้เป็นเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าได้อาหารนะยังพระประเจกท่านก็บอกขอเปิดดูซิขอเปิดดูบาดพระประเจกพอเห็นอาหารพระประเจกเท่านั้นอยู่ในบาดโอ้โหทาไมแม่บ้านของเราในใจใหญ่ขนาดนี้วะทําไมให้อาหารดีๆต่อพระประเจกพุทธเจ้าน่าเสียดาย ทำไมเอาไว้กินเองก็ได้หรือจะให้บริวารของตัวเองกินอย่างเขายัางทาการทำงานช่วยเราอั น, นี้ให้พระประเจกพุทธเจ้าท่านเอาไปฉันนั่นนู่นไปอยู่ในป่านะพอฉันเสร็จแล้วก็บะบไปนอนตีพุงอยู่ในป่าไม่ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมไม่ได้ช่วยเหลืออะไรโอ้น่าเสียดายอาหารทาไมคาใครก็คงจะดูถูกทางแม่บ้านทั้งลูก ไอ้ทางลูกน้องบริวารหนูทำไมโง่นักลักษณะอย่างนั้นแหละอพบบนที่สุดอท่านขอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพอให้ไปแล้วเนี่ยจะไปแย่งคืนได้ยังไงฮะเอพระประเจ๊ท่านก็ได้อาหารทา่านเขไปแบ่งอท่านก็เหาะไปไปแบ่งอาหารในป่าหิมาภานในภูเขาคันธมาตอไปแบ่งพระประเจ๊พุทธเจ้าฉันด้วยกันพอฉันเสร็จนั่นแหละ ตอนนี้อันในสงที่บอกว่าเอาพวกท่านทั้งหลายอาไปใส่บาตรพรประเจกนะพรประเจกมาบินทบาท น, ะนี่ยนีแหละอันในสงจุดนั้นแหละที่บอกบอกกล่าวให้คนทําบุญอในเมื่อบอกคนเขาก็ทําบุญพอเกิดมาพอตายจากเช่นนั้นเขาไปสู่สวรรค์นนะอันในสงของเขาบ อ, บอกเพียงแค่นั้นนะ่ะเพราะพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านนี่ออกจากนิโรธสมาบัติ มีอันใสงฆ์มากก็ไปสู่สวรรค์พอออกโลงมาจากสวรรค์มาเกิดพอมาเกิดเป็นเศรษฐีเลยนะรวยมดมีทรัพย์ทั้งแปดสิบโกดแต่ไม่มีลูกอแต่ไม่กล้าใช้ไม่กล้ากินเลยเนะี่ยเพราะอะไรพราะตัวเอง เ, ออเสียดายของนะเลยใส่บาตรพระประเจกพระเจ้าเนะี่ยเสียดายของเอท่าให้ตัวให้คนอื่นกินในชะ่ ให้ลูกน้องบริวารกินเขายังมาทํางานทําการให้กับเราได้อันนี้ให้พระประเจกกินโอ้หน้าเสียดายของจริงๆรงนะิเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กล้าไม่กล้าใช้ของเท่นะี่จะใช้เงินเออบาทนึงก็กลัวกลัวมันจะขาดกลัวมันจะขาดร้อยใช่ไหมเออถ้าจะเงินใช้ร้อยก็กลัวมันจะขาดพันขาดหมื่นขาดแสนขาดล้าน่นะไม่กล้าใช้เอไม่แต่ใช้ของปอ น, ปอน ของที่เสี ย, สยหา ย, หายที่เขาไม่ใช่แล้วตัวเองใช้เพราะอะไรเพราะอันนี้สงส์เสียดายของรวยอยู่พ่อบอกให้คนอื่นทําบุญแต่ไม่ใช่สมบัติของตนเองเป็นสมบัติของคนอื่นให้พวกเราสังเกตดูนะเศรษฐีในเมืองไทยแล้วคนรวยๆมีอย่างนี้ไหมแต่แถวบ้บานหลวงพ่อนะมีอยู่นะเขาล่ําลือกันทั่วตาาําบลอาเภอล่ะแต่ผมไม่กล้าใช้ของแต่ขีตหนี เหนียวการประหยัดสำหรับตนเองแต่ประหยัดขนาดนั้นก็เถอะตัวเองก็ตายไปเหมือนกันแต่สมบัติสรอดเป็นของใครเขาใช้อย่างฟุ่มเฟือยมาถึงลูกทึงหลานอันนี้ก็เหมือนกันนะเศรษฐีท่านนั้นนะปุตตะเศษฐีคนนั้นในเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่เห็นเอาอะไรไปด้วยสักอย่างเขาขี้เหนียวให้โง่ทำไมใช่ไหมถ้าเราคิดดูแล้วก็น่าจะใช้ตัวเองให้ฟุ่ม พอสะดวกสบายอันนี้ประหยัดประหยัดสำหรับตัวเองพอตายไปแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลขนสมบัติไปไว้ในท้อง พ, พระคลังหลวงขนทั้งเจ็ดวันเฮเกวียนห้าร้อยเล่มมันมากขนาดไหนเงินแปดสิบโกดสมัยนั้นแต่ไม่ใช่เงินอย่างเดียวของสมบัติอย่างอื่นอีกต่างหากเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้พูดสาธก ให้ในวันงานให้แกพี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นตัวอย่างการทำบุญทำทานทำไปแล้วไม่ไปไหนมันเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายแต่นั้นพอหลวงพอ่อแสดงธรรมวางดอกไม้ยา์เสร็จเขาก็นิมนต์ต่อไปอีกนะเพราะว่างานหลวงปู่ทองวัดอโศกา ร, รามนะเป็น เ, เป็นหลานของท่านพลีท่านอายุหบวชมาตั้งห3สบาปีนะแกก่าหลวงพ่อนะ หลวงพ่อในะพันศา51นะท่านพันศา63อายุของท่าน80ดกว่าปีท่านมรณะภาพเขาก็ในมลหลวงพ่อก็จะไปกราบคารวะศพท่านอยู่แล้วนะก็ถือโอกาสก็ไม่ห่างไม่ไกลกันเท่าไหร่จากสะเซิงเอกไปสมุปรปลาการใช้เวลาชั่วโมง ก, กว่าหลวงพ่อก็ไปแต่ได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อจะไปเขาก็ขึ้นปนะ้ายนะขึ้นป้ายว่าหลวงพ่ออิน ถวายจะมาแสดงธรรมในเย็นวันที่ยี่สิบพี่น้องประชาชนศรัทาาธาญาติโยมกวบปูล้นหลามวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะพอไปถึงลกงพ่อก็นั่งไม่ถึงสิบนาทีมาก็ขึ้นธรรมมาศเลยแสดงธรรมอีกแต่ลงพ่อก็พูดคือว่าจะพูดไม่นานเพรามันเหนื่อยแล้วนะแต่พอพูดไปโอ้เออพราะว่าเราพูดเกี่ยวกับ หลวงพ่อแสดงธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเราจะไปพูดแบบโพ ร, รัตตัดตอนไม่ได้ผู้ปฏิบัติจะเดินตามเดินตามระยากเพราะอะไรเพราะเราพูดแบบโพรบรัตตัดตอนเราต้องเรียงลําดับเหมือนกับเราสอนวิธีการทํานาอย่างลักษณะอย่างนั้นวิธีการทํานาเราทํำยังไงทํานาสมัยเก่าแกนะ่เราต้องเตรียมวัวเตรียมควายเตรียมแอกเตรียมไถ เราก็ถึงหน้านาเดือนพฤษภาเวลาฝนตกมาเราควรจะทำยังไงทำขันน า, านาอย่างไงไถนาอย่างไงหวานก้าอย่างไรแล้วก็ได้ขนาดแล้วมาไถมาปักดาอย่างไรรักษาน้าอย่างไรจนถึงได้เก็บเกี่ยวเมื่อเก็บเกี่ยวเราเก็บเกี่ยวอย่างไงเอาเข้าไปไว้ในยุง้งในฉางอย่างไงมันต้องเรียงตา ม, ตามลาดับ จนถึงว่าเอาม า, าต้มมาแกงามาหุงมาต้มมากระทาะเปลือกมาหุงมาต้มเป็นข้าวขึ้นมาแล้วรับทานาจนถึงรับทานแลวก็แปลว่าจบเลเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตภาวนาหลวงพ่อจะเรียงลําดับตั้งแต่เริ่มแรกว่าเราควรจะเข้าไปรตลาพากยังไงไหวพากยังไงตั้งจิตตั้งใจยังไง ไหว้เวลาไหว้พระจบแล้วต้องเมตตมีเมตตาในจิตในใจยังไงแผ่เมตตาซะก่อนให้จิตใจอ่อนน้อมท่อมตนซะก่อนจากนั้นก่อนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกลวงพ่อจะเรียงตามลําดับเพราะนั้นการเทศคิดว่าจะพูดให้สั้นเหมือนสั้นไม่ได้เพราะว่าเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องเรียงลํำดับให้คณะทัตธา ญ, ญาติโยมลูกหลาน เนเมื่อฟังไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติได้ลงพ่อคิดว่าจะพูดไม่ไม่ยาวนนวันนะพอดูดูแล้วเป็นชั่วโมงแล้วชั่วโมงเสร็จเศษเหมือนกันลงพ่อโหเออก่อนเหนื่อยเหมือนกันนะจากนั้นก็ไปออกจากวัดอโศการามไปถึงที่พักก็ประมาณสักสามสี่ห้าทุ่มนะจึงได้พักผ่อนเมื่อวันที่ยนะี่สิบนะแล้ววันที่ยี่ วันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบยี่สอได้กลับมานะวันที่ยี่บสองกับวันนี้ น, ะนี่แหละหลวงพ่อเล่าให้ลูกหลานฟังว่าไปที่ไหนบ้างนี่แหละสรุปแล้วก็คือไปทำประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตธาญิติโยมลูกหลานทุกคนเนะ อยู่นัตถสถานที่ใดไปนัตถสถานที่ใดอย่าลืมตัวสุปแล้วประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอย่างวันนี้แหละเป็นวันพระ15บหาค่ำเดือนสปีพุทธศักราช2559นะมีปีเดียวเท่านี้แหละปีต่อไปกับปี2560แล้วนะมันไม่ย้อนกลับคืนมาแล้ว พวัะ น, นั้นการสั่งสมคุณงามความดีเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ําได้กล่าวให้กับะักศึกาญาติโยมลูกหลานได้ฟังประกอบคุณงามความดีฝ่ายพระสงฆ์คก็เหมือนกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะลูกหลานผ้านเนนให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญา เก็บหอมหลอมริบไปเรื่อยเหมือนกับเราเก็บเศษสตังเก็บบาทเก็บสิบเก็บร้อยเก็บพันยนต์หนึ่งจุงเข้าไปในธนาคาราต่อไปก็เป็นเศรษฐีเองนะถ้าเรารู้จักประหยัดรู้จักเก็บหอมหลอมริบนะนี่ก็เหมือนกันนะเราสั่งสมผลกุศลที่ละเล็กที่ละน้อยอาขาวนั้นขาวนี้บ้งางต่อไปก็มากมายขึ้นไปเอง แล้วลำรวยขึ้นไปเองบุญกุศลเต็มจิตเต็มใจแล้วเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ที่ไหนก่อนท่าว่าเราไม่เก็บไม่รู้จักคุณค่าตั้งแต่แรกๆนะอะไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบมีเท่าไรใช้จ่ายหมดน ะ, เ, ะเราจะเป็นคนรวยได้อย่างไรเป็นรวยไม่ได้ต้องเก็บอแต่เก็บแล้วก่อเนี่ยละรู้จักแบ่งปันอีกเหมือนเหมือนกันนะเะมื่อเราเสั่งสมบุญกุศลแล้ว เราคนนะี้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนี่คือการแบ่งปันเออให้ประกอบคุณงามความดีเนะ้อพวกเราท่นทานทั้งหลายเนะ้อจะตั้งอยู่ในความประมาทนะเน้อชีวิตของพวกเราไม่ใช่จะอยู่โชกฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะ่ะอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบนะชีวิตของเราไนะ เ, ออเมื่อเราไปแล้วเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจมีไหมเราคิดดูสิเป็นที่อุ่นใจหรือยัง เราคิดทบทวนไว้อยู่เสมอนะตอนนี้ไปรับพรนะตอนนี้พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร